คนเราทุกคนเกิดมาบางนงต้นก็ต้มีความโมโหเป็นธรรมดา่อเมื่อได้รับการศึกษาบุกเบิกทั้งทางโลกและทางธรรมก็ยอมจะมีความเพลสฉลาดแต่ตามเงื่อการศึกษา ถึงจะงโลหรฉลาดเราก็ยังดีฐานสำคัญคือความเป็นมนุษย์ของเราเรีเยกว่าเป็นฐานที่สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดกื้อมโลกกันสัตว์ บ, บางตัวเพื่แม้จะมีร่างกายใหญ่โตยิ่งกว่ามนุษย์ เราผู้ถือเมืองแง่อำนาจปาจจัามารมีก็สู้มนุษย์เราไ่ได้ในปัจจุบัน า, าติที่ครองร่างและความเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นเท่าที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้นจึงจักว่า เป็นผู้ถึงควอมแหล่ดความเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติที่จะกล่าวไม่ให้าบจากตัวของเราก็ได้เลยอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งหมดนี่แหละเรียกว่ามนุษย์สมบัติ พระพุทธเจ้าพัานธุ์สัจจะว่ามิเถอมนุษย์ปฏิลาภการได้อาตาภาพเป็นมนุษย์นี้เป็นของที่หาได้ยากคืออันดับแรกอันดับที่สองคิดธึงมรรคนาชีตังเมื่อได้เป็นมนุษย์แล้วชีวิตที่จะ สู่ต่อไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั้นก็จัเป็นของหายางนี้แย่เพิ่มของมนุษย์มนุษย์ที่มีใจยเป็นผิเป็นธรรมไม่ลืมคุณงามความดีที่ตนได้เคยสร้างมาจนถึงความเป็นมนุษย์ เมื่อไดอาตาภาพเป็นมนุษย์มาแล้วไม่รุนกัพยายามบำเพ็ญตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนชื่อราจะเป็นผู้มีความเจริญรู่เรืองไปในการข้างหน้าตามพระบาลูท่านกล่าวไว้ว่า โมโทติราญุเนี่ยเราจะมืดมาในเบื้องตน้นแต่ก็จะมีความสว่างสวัยไปในการข้างหนังคืเบื้องต้นละงเลต่อมาก็มีความสว่างเพราะการอุเนศึกษาเราสามารถจัดปฏิบัติตนให้ดีขึ้นไปเป็นระดับจนกระทั่งถึงขั้นีิเวียบเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ มนุษย์ประเพื่อนนี้เป็นมนุษย์ที่หาไดาย้ยากแต่ที่เดยมาเป็นมนุษย์แล้วปรับภาร่างนี้ไปทาความเพียหายให้ล้นตกไม่มีกาไรทั้งด้านโลกดูอยู่ในโลกก็ไม่ทำโลกให้เจริญตายเป็นคุนขวางโลกไปที่ไหนทำความเดือดร้อนเจ่บบาดเอือแต่นั่นก็มีาำนวนไม่น้อย เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งร่างไม่ทําประโยชน์กันใดเลยเส้นเดียวกับไม้ที่อยู่ในป่าในเขาไม่มีใครแต่นำมาทําประโยชน์ตายาทิ้งเกวียนจับผตามตาตามลึกหรือตายยืนต้นหรือยังสดชุ่มอยู่ก็ขาดประโยชน์ไม้ประเภทนั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดเลย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 มนุษย์นี้หาได้ไง่ายมนุษย์คือ <c oughs> ความใจความจริงถูก ท, ที่รักทิง่งามความดีรักทานรักสุขรักการรวบรวมจิตใจของตนให้เป็นเพื่อความเปิดเไปเพื่อความเจริญยิ่งเดียวมนุษย์ประเภ ท, ทนี้เป็นมนุษย์ที่หายาก เหตุมนุษย์ปฏิลาผงมีหาได้ยากในมนุษย์ประเภทนี้สีวิตจิตใจนั้นเมื่อยังมีชีวิตครองล่างอยู่ก็ต้องมีเหมือนกันคนทั่วก็อายุนมีคนดีอายุนก็มีคนทั่วตายเร็วก็มีคนดีตายเร็วก็มี อชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกรุณงงามความดีไปเปนกระจำนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากไม่ใช่ชีวิตที่พาลมหายใจให้หายไปต่อเปล่าในวันหนึ่งวันหนึ่งข่านไปทุกวันทุกวันไม่ใช่ชีวิตประเพ้นชีวิตของผู้มีชีวิตมีธรรมรับคุณ ง, งามความดีนี้ตปนชีวิตที่หาได้ยากวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้ทําคุณงามความดี ใน ไ, ไม่สะดว ก, กสบายใจมีชีวิตคนที่มีคุณธรรมในสั่งสมอบรมจิตใจของตอนมาจนมีความเคารพต่อทุน ง, งามความดีไม่ได้ทําแล้วอยู่ไม่ค่อยสะดวกสบายเมื่อได้ทําแล้วปรากฏมีความนื่นดงบันเทิงในในใจอยู่ชีวิตที่มีามสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับทุน ง, งามความดีตัวนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยาก ในบทที่สามสิตขังสัตมาาัสสวาการจะได้ยินในฟังธรรมะคำสั่งสอนของทศทธเจา้าก็เป็นของหาไดยอยางความจริงแล้วธรรมะมีอยู่ทั่วไปแต่เราไม่สามารถจะหยุดยกธรรมะซึ่งมีตามรูฐานที่ต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องคําสอนจิตใจของเรา คือต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้แนะนําคําสอนแม้ข้อเขาเอกเขาเข้าใจแต่วันเลงบรรเลน้อยผู้ที่จะมีความสนใจแค่ต่อการสดับรับรางธรรมเทศนาเช น, นั้นก็มีจเนวนน้อยหรือเป็นคนที่หาได้ยากการฟังธรรมเพื่อความเข้าขอกเข้าใจจู้าายินก็หาได้ยากคือหาได้ยากทั้งผู้สแสดงธรรม หาได้ยากทั้งผู้ที่จะสลับหลับฟางเพื่อขอดข้อทำนํามาแก้ไาขตาัวเองให้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรทั้งสองประเภทนี้เป็นของหาได้ยากด้วยกันธรรมะที่แสดงนั้นมีอยู่ทั่วไปคนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ทั่วไปแต่ที่จะหาอาหลักเกณฑ์จริงๆเพื่อผลประโยชน์จากหลักของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วนั้นมีเป็นน้อย ไมว่าศาสนาใดๆคนเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องอาศัยที่ศสนาของศาสนานั้นๆมาเป็นเพื้นทีพื้นฐานแต่หลักของใจที่จะเชื่อต่อหลักธรรมจริงๆนำตนของตนให้สมะพฤติปฏิบัติตามขออข้ทธรรมจนถึงแดนขความถูกความจริงก็จากใจนั้นมีเป็นแน่นอยและเป็นมันคู่ที่หาได้ยากที่เส้นเดียกัน การตั้งทำมีสองตัวสุดตั้งทําจากครูจากอาจารย์หรือจากพระในสถานที่ต่างๆที่ทําแสดงจะเป็นแสดงทางวิทยุกระจายเสียงหรือจะแสดงเป็นธรรมะหรือจะแสดงในสถานที่ใดก็เรียกว่าการตั้งทำมีเป็นการตั้งทำประเภทหนึ่งแต่การตั้งทำประเภทที่ยอดเยี่ยม เมือนพระพุทธเจ้าทรงประดับรรทำพระองค์เดียวอยู่ในป่าในเขานั้นนี่เรียกว่าการฟั้งทำรรที่หาไดยยากดูพิจารณาไกรกลองดูตามสภาวธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมในหลักธรรมชาตินั้นเป็นเกิดความเข้าเข้าใจสา ม, มารถแก้ไขดีดัดแปลงพระองค์ให้เป็นไปตามเป็นวิ่งแย่แงแฉงตลอดในวิญธรรมทั้งหลายกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้จึ็นป่าจา ข, ของป่า มีการฟังธรรมตกเหตุนี้เป็นการฟังในอย่างและหาในอยา่างเลยครูปฏิจะพฤทธปฏิบัติตนตามหลักแห่งธรรมะคําสอนค้นพัฒนาจนเกิดมีสติปัญญาพินิจพิจารณและสามารถพินิจพิจารณาในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วทั่วไปน้อมเข้ามาเป็นเครื่องกล้าสอนจิตใจของตนทุนก็เชื่อเป็นผูน้หาในอยา่าง การฟังธรรมประเภทนี้เมื่อผู้สนใจใคร่ฟังดีจริงแล้วสามารถจะถอดถอนกิเสลสอาสระซึ่งเป็นเครื่องหมักหมมอาายู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปเป็นอันดับรวมถึงขั้นหมดสิ้นไปเยอดีจริงได้การฟังธรรมอย่างนี้จึงจัดว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากและผู้ฟังธรรมประเภทนี้ได้ขอเป็นผู้หาได้ยากนั่นกัน เมื่อเป็นผู้สามารถจะระดับรับฟังธรรมเทศนาโดยไตรลักษณ์ธรรมชาติคือความเกิดเกิดตายทึ่งมีอยู่ทั้งเขาทั้งเราดูความแปรสภาพทึ่งมีอยู่ทั้งต้นไม้ภูเขาและใบหญ้บดูท้าอากาศให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอาตาเสมอ ก, กันกับเรื่องกายเรื่องใจของเราสามารถจะถอนถอนความยึดมั่นถือมั่นตน ของจิตใจออกจากสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ได้กลารเป็นความรู้สิตขึ้นมาภายในใจที่เรียกว่ากิตโธพุท ธ, ธานุปาเถรการอุบัติขึ้นแห่งความรู้นั้นเป็นของที่หาได้ยากนีจัดว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากมากในบทที่4ท่านกล่าวว่ากิตโฉพุท ธ, ธานุปปาเถรการที่จะอุบัติตรัตขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นของหาได้ยากนั่นเป็นกุทศลของพระพุท ธ, ธเจ้าที่จะเป็นศาสนาสองสัตย พุทธะที่บริสุดพุทธพงอย่างยิ่งภรรยาของเราซึ่งสุดเนื่องมาจากการระดับรับฟังในหลักธรรมชาติอันต่อเนื่องมาจากการได้ยินในฟังจากครูบาอาจารย์เป็นภาคพูนี้นี่ระจัดว่าเป็นของหาได้ยากพุทธะอันนี้เมื่อได้ผุดขึ้นเพราะอํานาจแห่งการตังธรรมย่อมเป็นพุทธะที่บริสุดเช่นเดียวกับพุทธะของพระโพธิจักร เพราะฉะนั้นจึงควรจะพยายามอบรมบำรุงพุทธะซึ่งกําลังรู้อยู่ณขณะนี้ให้เป็นพุทธะที่เสร็ขึ้นมาเป็นนั้นเบื้องต้นก็เป็นพุทธะที่คุกมครากันอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าภายนอกภายในโดยมากก็เป็นส่วนโทษเข้ามาขัดแย้งจิตใจให้นับความคุกความเดือดร้อนให้ความปรุงเตอร์เอื้อเริ้อ พอเมื่อได้รับการสักข้ออดุมด้วยการฟังธรรมเทศนาหรือการดัดแปลงตนเองก็จะค่อยมีความสงสัยขึ้นมากับผู้รู้อันนี้ผู้รู้ น, นี้จะค่อยเปลี่ยนสภาพจากความอยากจากความคลุกคล้าวในอารมณ์ทั้งหลายนั้นขึ้นมาได้เป็นลำดับเริ่มต้นทางกล่าวเป็นพุทธะที่สงบคือมีความสงบเยือกเย็นประจำสน คือว่าทุทธะประเภทนี้กำลังเข้าอยู่ในขั้นสมาธิคั้นอันดับต่อไปพุทธะอันนี้ได้มีความสงบเยือเกเย็นภายในตัวเองแล้วก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำที่นิ่งไม่มีจุด่นใดรบกวนสามารถจะมีความโปอ่งใสภ า, ายในตัวเองและผู้ต้องการจะส่องมองดูเงาลึกจากน้ำอัศรพิษหรือกลิ่งใดภายในน้ำนั้นก็เห็นได้โดยชัดเจน ลักษณะของปัญญาที่จะเกิดแสงขึ้นมาจากผู้รู้ที่มีความสงบเพื่อกวนอันบดบุ๋งภายในตัวตัวเองนี้ก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกับน้ำที่ใสสะอาดนั่นเลงเมื่อพุทธานี้ได้ค่อยฉายแสงออกมาเป็นความเจริญฉลาดภายในตัวเองและจนสามารถฉลาดรอบตัวเลยพุทธานี้จะกลายขึ้นตัวขึ้นมาเป็นลำดับเป็นพุทธที่ฉลาด นอกจากพุทธานี้เป็นความสงบเกลียดแล้วพุทธานี้ยังมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในตัวเองจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นเชี่ยนเป็นน้ำหมักหม ม, มอยู่ภายในใจิตใจของตนหนได้เป็นลาดับลํำดั บ, ลดบและถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงกลายเป็นพุทธะที่วิจิตโฉพุทธานุภาโคล่ขได้แต่เป็นพุทธะที่โดยจิตขุดขึ้นภายในใจซึ่งเคยตั้งมองมาเป็นเวลานานให้จิตเรย หมดความกังวลใดๆทั้งนั้นคีอพุท ธ, ธะนี้เป็นพุท ธ, ธะที่หาได้ยากตามหลักธรรมที่กล่า <c> ว <oughs> มาในสี่ข้อเรื่องตนมกุศวุทธามนุษสปติลาเพการเป็นมนุษย์ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นอันของหาได้ยากในอันดับแรกชีวิตของมุษ คนที่เป็นมนุษย์นั้นเขาเป็นของหาได้ออยากในอันดับสองฐานแห่งความเป็นมนุษย์และชีวิตเป็นหลกฐานอันสำคัญมีอยู่แล้วและได้ฟังธรรมเทศนาซึ่งเป็นของแท้ของสริงเมื่อความสนใจใครต่อทำจริงๆนั้นเป็นขอ ง, งหาได้ออยากในอันดับสามและการฟังธรรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นของมีอยู่ทั้งภายนอกภายในกายภายในใจของตนเองโดยทางปัญญานี้จัดว่าเป็นของที่หาได้ยากถ้าแนกหนึ่งในอันดับสามอันดับที่คือได้แก่พุท ธ, ธะที่เคยคุ้คเคยกับอารมณ์ทั้งหลายสิ่งที่เป็นข่าสุดต่อใจในหมดสิ้นไปโดยลำดับ เพราะอำนาจแห่งปัญญาที่มีความเฉลี่ยสลาบรอบเด็กนิพอานนี้เป็น <c oughs> ของที่ห า, นาในยากแันดับที่เป็นพุทธะที่มีคุณค่าเนื้อสิ่งใดๆในโลกนี้เป็นทุกคนแล้วจากห่วงแห่งทุกทั้งหลายซึ่งมีความเกิดเป็นแบบเกิดนั่นคือรากฐานแห่งความทุกจะตามมาพุก ไา้พุทธะเช่นเดียวกับเครืงมัเมื่อพุทธขึ้นมาหยุดแตกเม็ดขึ้นมาก็ปรากฏต้นจึ้นมาส่วนก้านสาขาก็จะค่อยตามมาทีหลังลักษณะของความเกิดก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อพุทธะนี้ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นอันทํำลาย เราแห่งกลางวงทั้งหมีความเกิดเป็นต้นนั่นแหละพุท ธ, ธะของพระพุทธเจา้าเมื่อได้ถุดขึ้นในกัปไถของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้วิจิตตินั้นจากพุท ธ, ธะที่เคยได้เจ้ามองเคยเป็นของอับเฉามาเป็นนี้างนั้ะสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจลายเป็นสาวกที่โดยสุดทุกข์โทตามไปด้วยพระพธธุทธเจา้าให้าถึงทางผ่านได้พุท ธ, ธะของเราเมื่อนําธรรมะ เป็นธรรมะที่เคยได้รับผลมาแล้วและรับรองโดยแน่นอนจากพระโคติจ่ามาชนะจิกใจของตนก็จะกลาเป็นพุทธะที่แน่นอนรือที่เบจิดพุทโธเช็ดเหียวกับพุทธาข้อมดกับพุทของกโคติจ่าเคูหมดดนความทุกข์ทั้งหลายทั้งปกลายเป็นใจที่ดีเถประจักษ์กับใจของตนองโดยสัตว์จะอยู่ดีจะไปคน จใตายคไม่เป็นเครื่องกังวลงหรือไม่เป็นอุปสรครคใดๆที่จะสามารถเหยุดยับคุดทักนี้ให้กลายเป็นของเต้าหมองหรือไปคุกเข้ากับอารมณ์ฉัตใดอีกต่อไปขอให้บรรดาผูกทักที่มีความสนใจใคร่ต่อ คงตัวซึ่งกําลังจากต้นของมีคุณภาพอยู่ในขณะนี้พยายามลดลงอันใดจะขาดเรืออันใดจะบกพร่องหรือเอียงไปทางขอจะ่ให้การบร่มเพาะทางด้านจิใตใจของเราได้บกพร่องไปตัดเรื่องของโรกเป็นธรรมดามีการได้การเสียการเกิดการดับการแตกสลายทําลายเป็นธรรมดาไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในอกไม่ว่าเขาไม่มาเราไม่ว่าคนใกล้ วาระไหนๆจะต้องมีความแตกสลายทํามาเป็นธรรมดาแต่ยังไงขออย่าให้จิตใจของเรากับธรรมะได้เหินห่างจากกันพยายามบำพุงจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้ร่างกายจะแตกก็สักแต่ว่าการแปกสลายอย่างร่างกายส่วนจิตใจที่บรรจุไว้ซึ่งทนมีคุณค่าแล้ว ใจนั้นจะกลายเป็นใจที่มีคุณค่าหากเราไม่ทนจากกำเนิดแห่งการตเกิดจากจิตตายแล้วเราจะไปปฏิบัติพุทธญญาณในที่ไหนเราจะกลายเป็นคนมีคุณค่ามีราคาพร้อมหนักทําซึ่งเป็นของมีคุณค่าห้ามล้อมลูกรักษาจิตใจของหมอเราจะเป็นคนมีคุณค่าตลอดไปจนกระทั่งถึงแดนอวสารคืใใ อ, าาาอคมือผัดอันเป็นของทำมามีคุณค่านีก สันนั้นในอะวตารของพระธรรมทฏิปันธ์ขอให้ขอบินวอนคุณพระศรีรัตนตรัุดทุกข์พระเจ้าพระทัยพรงจงบุญบันดาลให้ทางทั้งหลายได้ึงเดนในความมุ่งหมายโดยทุนนัก